บุ๊กทูแปดสิบสี่อดีตการสี่อ่านดิฉันอ่านแล้ว ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วดิฉันเข้าใจแล้ว ดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วยาสมระจุ u m โอระจุมิ e ่ะซีเอลีเท็กตอบอดีดิฉันตอบแล้วยอดกอร์ย์อ่ะอ่ดิฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้ว ดิฉันทราบแล้วดิฉันได้ทราบแล้วดิฉันเขียนดิฉันได้เขียนแล้วดิฉันตอบดิฉันตอบแล้ ดิฉันได้ยินดิฉันเคยได้ยินแล้วยาจุยมโตยามโตจู่ว์จู่ล่ะดิฉันกาลังไปรับดิฉันได้ไปรับแล้วยาอูซิมโตยาสมโตอูเซลูเซลล ดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้วย a d o นอ simto ย a ส a โตโ o นิเอลโดนิเอล่ดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้วย a k u พิเอตย a s ม m t o kupio ค u p ล่ดิฉันคาดไว้ว่า ดิฉันได้คาดไว้แล้วว่า wn App ดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแล้วดวิฉันรู้ดิฉันรู้แล้ว Ja poznajem to, ja sam to p o z n a ม a น p o z n a в а л а